เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่สี่ฐานที่มั่นของอุปาทานแม้ว่าเครื่องหลังของเดือนที่สามท่านจะออกอาการเดินกระโผปลกกระเพลกบนเส้นทางสู่มรรคผลหน่อยแต่อย่างน้อยการเปลิกวิเวกบำเพ็นเพียนในช่วงต้นเดือนก็ทำให้เห็นซึ้งลงไปถึงระดับสภาวะธรรมเกิดดับชัดเจนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรูปธรรมหรือนามธรรม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 หรือมองว่าเหลือบากว่าวแรงแต่อย่างใดในเมื่อพระนามหนึ่งแห่งองศาสดาคือเป็นผู้ทําของยากให้เป็นของง่ายหรือผู้เปิดของข้ามให้ง่ายขึ้นบัดนี้ฉันประจักษ์แล้วว่าพระองค์ท่านเป็นเช่นนั้นจริงๆคือปฏิบัติได้ผลมาตามลำดับแล้วไม่เห็นว่าขันห้าเป็นเรื่องยากต่อการทำความเข้าใจอีกต่อไปทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ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 ก็จัดเป็นการเห็นสองหน่วยของกองทัพรูปแล้วและเมื่อฉันศึกษาภาคคลิสตีละเอียดขึ้นก็เห็นว่าแม้แต่การรู้อิริยาบถก็จัดเป็นการเห็นรูปเช่นกันแต่เป็นรูปชั่วคราวที่ก่อขึ้นจากธาตุอื่นอื่นอันนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งที่ต้องดูกันต่อไปว่าถ้าสามารถเห็นธาตาุต่างๆละเอียดขึ้นจะมีผลอย่างไร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 พอเวทนาสัญญาสังขารดับไปตามธรรมชาติก็เป็นอันจบไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใครไหนเป็นผู้เจ็บใจต่อธรรมดามีแค่ขันห้าอันร้ายแก่นสารปรากฏขึ้นแล้วดับลงอยู่อย่างนี้แต่เพราะไม่เฝ้ามองกายใจให้เห็นเป็นขันห้าคือไม่เจริญสติปัฏฐานอยู่ด้วยความเห็นที่ถูกต้องก็เกิดอุปาทานขึ้นมา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 อย่างนี้ขันดับไปเมื่อดูเรื่อยๆไม่หยุดย่อนในที่สุดก็ปลุกให้เกิดอาการตื่นจากฝันได้ทราบหลักการแล้วคราวนี้ถึงคำถามสำคัญคือหนึ่งพร้อมจะดูหรือยังสองควรจะดูขันไหนก่อนหากตีโจทย์สองข้อแรกนี้แตกฉันก็เชื่อว่าจะดำเนินสะดวกเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ย สิ่งที่ฉันจะทำไว้ในใจคือดูความพร้อมกับดูขันที่เหมาะ